อขอให้พวกเราตั้งจิตกล่าวคำแผ่เมตตาตามพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสในเรื่องการแผ่เมตตาไว้ดังนี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและทำอันเป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใร จิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและทำอันเป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติการุณาเจโตวิมุตติมุติตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติ ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสังสมปารลบดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากบาปอกุศลที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปิติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติแล้วกายก็สงบประงับผู้มีกายสงบประงับ ย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตสหรัตตะด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตสหรัตตะด้วยเมตตา อันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตสหารคตตด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้น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 เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งโปรงที่มีอยู่เธอมีจิตสห ร, รักตะด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่ 4, สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตสหรคกตะด้วยมุทิตาอันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวาทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เธอมีจิตสหารคตะด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้น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 เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สะโบครณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีหน้ารื่นรมท้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหาย อยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงทรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายใน ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบขาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดทะเลเธอจเจริญสมาธินี้อย่างนี้จเจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจกเดินไปทางใดๆก็จกเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จะยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ นั่งอยู่ในที่ใดๆก็จะนั่งอยู่เป็นสุขในที่นั้นๆ น, นอนอยู่ที่ใดๆก็จะนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจอโตวิมุตต์อันบุคคลเสพมาแต่แรกให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสังสมเนือง ปาลบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอ น, นิสงส์สออย่างคือหลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันร้ายหนึ่งเป็นที่รักของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของพวกอมนุษย์หนึ่งเทพพยาดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นหนึ่ง จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าผุดพองหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกหนึ่งเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้ง ประพืชสั่งสมหนึ่งเนืองปลารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์1ิบเอ็ดนี้แลเดี๋ยวทําความสงบสักนาทีหนึ่งนะแล้วก็ทําความรู้สึกประกอบไปด้วยเมตตานะแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวง